โรคที่เกิดจากจิตพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในจุลกรรมวิพังคสูตรว่าคนที่เคยฆ่าสัตว์มามากเมื่อเกิดมาในชาตินี้หากวิบากของกรรมยังไม่สิน้นก็จะเป็นคนอายุสั้นและถ้าเคยเบียดเบียนสัตว์มามากเมื่อเกิดมาในชาตินี้วิบากยังไม่สิน้นก็จะเป็นคนมีโรคมาก ขุตพุท์ทั้งสองข้อนี้โดยปกติชาวพุทธรู้กันทั่วไปแต่ว่าน้อยคนมากที่จะเข้าใจถึงสาเหตุว่าทำไมจึงต้องเป็นเช่นนี้และยิ่งมาพิจารณาดูตามเหตุผลของแพทย์ในสมัยปัจจุบัน <c oughs> ก็ยิ่งมองไม่เห็นทางว่า <c oughs> การฆ่าสัตว์และการเบียดเบียนสัตว์จะมีผลเกี่ยวข้องกับเรื่องอายุสั้นและโรคมากได้อย่างไรดูจะมองไม่เห็นทางเลยใครจะเกิดมาอายุสั้นหรือโรคมาก ส่วนมากเราก็พิจารณาจากแง่ของกรรมพันธ์สิ่งแวดล้อมการบำรุงและการรักษาร่างกายโดยมากจะพิจารณากันแต่เพียงเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เท่านั้นแต่ประเด็นอีกอันหนึ่งซึ่งก็เป็นที่รู้จักกันดีในวงการแพทย์กล่าวคือถ้าใครจะเกิดมามีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีความต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บดีก็มักจะเป็นกันมาตั้งแต่กาเนิด จะมาเสริมสร้างในภายหลังส่วนมากจะทาไม่ได้ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่ามันเกี่ยวกับเหตุอะไรบางอย่างลึกลับอยู่และคนสมัยปัจจุบันส่วนมากไม่ทราบว่าเหตุลึกลับนั้นคืออะไรอย่างดีก็โยนปัญหาไปให้กับเรื่องกรรมพันธุ์หรือความบังเอิญที่อธิบายเหตุผลไม่ได้ ปัญหาเหล่านี้ข้าพเจ้าได้คุ้นคิดมานานพยายามที่จะหาคำตอบว่าคนที่ฆ่าสัตว์มากหรือเบียดเบียนสัตว์มากทาไมจึงต้องเกิดมาอายุสั้นและโรคมากความเข้าใจในเรื่องนี้ของข้าพเจ้าก็มีอยู่บ้างจากการศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทแต่ก็ไม่จำชัดนักต่อเมื่อได้นำปัญหาเรื่องนี้ไปปรึกษากับโอปปาติกะที่ท่านมีความรู้ในเรื่องเหล่านี้ดี จึงได้รับความสว่างพอสมควรและจะขอถ่ายทอดมาสู่ผู้ฟังดังต่อไปนี้ก่อนอื่นเราจะต้องเข้าใจเสียก่อนว่าวิญญาณเป็นผู้สร้างชีวิตและทำการสร้างอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนกระทั่งถึงเวลาตายและสร้างชีวิตตามวิบากที่มีอยู่ซึ่งหมายความว่าใครมีวิบากมาอย่างไรด้วยอำนาจของวิบากที่มีอยู่นั้นก็จะทำให้ชีวิตเกิดเจริญเติบโตสืบไปเปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจของวิบากนั้นๆในเรื่องนี้ขอให้พิจารณาดูจากการเจริญเติบโตของพืชซึ่งเป็นไปตามวิบากคือกรรมพันธ์ของมัน เราจะแลเห็นได้ว่าการเจริญเติบโตของพืชนั้นไม่ค่อยจะซับซ้อนดูง่ายเพราะโครงสร้างแห่งวิญญาณของมันไม่ซับซ้อนและอีกประการหนึ่งที่ดูง่ายก็เพราะต้นไม้ไม่มีระบบประสาทไม่มีตาหูจมูกลิ้นและสมองเหมือนกับมนุษย์จึงทําให้มันสร้างวิบากใหม่ได้ยากเมื่อวิบากเดิมมีอย่างไรมันก็เป็นไปนตามวิบากเดิมของมันอย่างสม่ําเสมอตรงไปตรงมา ขอได้โปรดเข้าใจนที่นี้ด้วยว่าสิ่งที่ทางชีววิทยาเรียกว่ากรรมพันธ์ของพืช น, นั้นก็คือวิบากซึ่งมีอยู่ในวิญญาณที่สร้างต้นไม้นั้นนั้นนั่นเองและวิญญาณที่ว่านี้มีอยู่ในมเมล็ดพืชทุกชนิดที่ยังมีชีวิตอยู่คือที่สามารถจะงอกได้และวิบากอันนี้หรือกรรมพันธ์อันนี้เป็นนามธรรมไม่สามารถที่จะศึกษาโดยวิธีทางประสาทสัมผัส และที่เรียกว่าเป็นวิบากก็เพราะเกิดจากการกระทําแห่งต้นของมันคนที่จะศึกษาจนกระทั่งรู้ว่าโรคภัยไข้เจ็บมีสาเหตุมาจากจิตใจอย่างไรนั้นจะต้องเข้าใจถึงเรื่องวิญญาณในพืชอย่างแจ่มแจ้งด้วยฉะนั้นสําหรับคนที่ไม่ยอมเข้าใจในเรื่องนี้และไม่ยอมเชื่อว่าต้นไม้มีวิญญาณข้าพเจ้าก็กล้ารับรองได้ว่าเรื่องที่ข้าพเจ้าเขียนนี้ จะไม่มีทานเข้าใจได้เลยเป็นอันขาดอันหนึ่งขอได้โปรดทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งว่าวิญญาณได้ทำการสร้างร่างกายมาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายและสร้างตามวิบากที่มีอยู่ทีนี้ขอให้พิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่เห็นกันอยู่เสมอในชีวิตประจำวันอย่างหนึ่งกล่าวคือ คนที่มีความวิตกกังวลมีความไม่สบายใจมีความหวาดกลัวเกิดขึ้นอยู่เสมอบ่อยๆนานๆนนเข้าก็มักจะต้องเกิดโรคไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งและโรคที่เป็นกันมากก็คือโรคประสาทซึ่งโรคประเภทนี้บางทีหมอตรวจทางร่างกายโดยละเอียดแล้วก็ไม่พบว่าอวัยวะส่วนไหนพิการแต่ก็ปรากฏว่าคนไข้มีอาการเหมือนกับจะเป็นโรคนั้นๆและในบางรายซึ่งก็มีมากเหมือนกัน คืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดเป็นโรคขึ้นมาจริงๆด้วยเช่นเป็นแผลในกระเพาะอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวนี้ในวงการแพทย์ก็ยอมรับว่าโรคทางกายหลายอย่างมีสาเหตุมาจากทางจิตใจโรคประเภทนี้การรักษาทางยายอย่างเดียวไม่ได้ผลต้องรักษาทางใจด้วยเช่นอย่างในกรณีคนที่เป็นโรคกระเพาะ อันหนึ่งมาจากความวิตกกังวลตราบใดที่ความวิตกกังวลยังแก้ไม่หายโรคกระเพาะก็รักษาไม่หายเพราะฉะนั้นเราควรจะได้ศึกษาข้อเท็จจริงข้อนี้ให้ละเอียดและเราก็จะได้หลักในอันที่จะส่งเสริมสุขภาพทางร่างกายให้ยั่งยืนตลอดไปซึ่งตามวิธีการของพระพุทธศาสนานั้นกล่าวว่าไม่เฉพาะแต่จะให้ผลดีในชาตินี้เท่านั้นแต่ยังจะให้ผลดีตลอดไปทุกๆชาติอีกด้วย ขอให้ท่านจำหลักไว้อย่างหนึ่งว่าเมื่อใดความทุกข์เกิดขึ้นในใจเมื่อนั้นวิบาสของมันย่อมเกิดขึ้นในสันดานวิบากของความทุกข์ที่สะสมขึ้นบ่อยๆอันนี้แหละคือต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคขึ้นในทางร่างกายและการที่คนเราจะเป็นโรคที่อวัยวะส่วนไหนที่เนื่องมาจากวิบากของความทุกข์ที่สะสมเอาไวมากนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัญหาที่ว่า ในขณะนี้อวัยวะต่างๆในร่างกายส่วนไหนอ่อนแอโรคก็จะเกิดที่อวัยวะส่วนนั้นก่อนทั้งนี้ก็เพราะโดยธรรมดาร่างกายของคนเราพร้อมที่จะเป็นโรคต่างๆอยู่แล้วเนื่องจากเชื้อโรคก็มักเข้าไปสู่ร่างกายอยู่เสมอความผิดปกติของดินฟ้าอากาศก็ทำให้เกิดโรคได้สิ่งที่เป็นพิษที่เกิดขึ้นในร่างกายก็ทาให้เกิดโรคได้ และยังมีสาเหตุอื่นออีกหลายอย่างที่ทำให้เกิดโรคฉะนั้นโอกาสที่ร่างกายจะเป็นโรคจึงมีอยู่ตลอดเวลาแต่การที่คนเราไม่เป็นโรคซึ่งบางคนร่างกายก็อาจจะเป็นปกติอยู่ได้นะับเป็นเดือนๆือนปีปีทั้งนี้ก็เพราะในร่างกายมีอำนาจต้านทานเกิดขึ้นอยู่เสมออำนาจต้านทานหรือการที่ร่างกายพยายามที่จะขับสิ่งที่เป็นพิษออกจากร่างกายอยู่เสมอ และพยายามซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออยู่เสมออันนี้แหละคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนเราไม่เป็นโรคฉะนั้นปัญหาสำคัญจึงมีอยู่ว่าอำนาจต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บก็ดีความสามารถในการกำจัดสิ่งที่เป็นพิษออกจากร่างกายก็ดีความสามารถในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอก็ดีสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับอะไร คนไหนเห็นแจ้งแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับวิบากซึ่งมีอยู่ในวิญญาณคนนั้นก็ย่อมจะเข้าใจได้อย่างดีว่าถ้าหากวิญญาณมีความอ่อนแอซึ่งเนื่องมาจากวิบากของความทุกข์สะสมอยู่เสมอผลที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายต้องมีความอ่อนแอเมื่อร่างกายมีความอ่อนแอความต้านทานต่อโรคภัยแค่เจ็บก็ย่อมจะมีน้อยลง สมรรถภาพในการกำจัดสิ่งที่เป็นพิษออกจากร่างกายก็น้อยลงความสามารถในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอก็น้อยลงครั้นแล้วโรคต่างๆก็เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้โรคทุกอย่างจึงเกิดจากจิตได้คนที่คิดอยู่แต่ในเรื่องวัตถุคือคิดอยู่แต่ในแง่ของวัตถุ ก็มักจะมองไม่เห็นความจริงดังที่กล่าวมานี้เพราะคิดแต่ในแง่ที่มองเห็นได้ง่ายเช่นเมื่อเรามีอาหารดีน้ำดีอากาศดียาดีก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ซึ่งความจริงข้อนี้มองเห็นได้ง่ายและความจริงอย่างนี้มิใช่ว่าทางพระพุทธศาสนาจะไม่รู้ความเป็นจริงเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงทราบเป็นอย่างดีเช่นพระองค์ได้ตรัสไว้ว่า สัพเพสัตตาอาหารทธตติกาสัตว์ทั้งหลายจะดำรงอยู่ได้ก็โดยอาศัยอาหารซึ่งพุทธพจน์บทนี้มีความหมายกว้างมากเพราะคำว่าอาหารในที่นี้มีความหมายถึงน้ำอากาศและยารักษาโรคต่างๆด้วยเพราะคำว่าอาหารตามสับแปลว่า สิ่งที่นำความสมบูรณ์มาให้แก่ร่างกายแต่เพราะเหตุที่ร่างกายไม่ใช่เกิดขึ้นโดยอาศัยปัจจัยทางวัตถุล้วนๆอย่างเดียวหาขึ้นอยู่กับปัจจัยทางนามธรรมด้วยและปัจจัยทางนามธรรมนี่แหละเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดฉะนั้นถ้าหากว่าเราปรับปรุงวิญญาณให้สมบูรณ์จนได้มาตรฐานจริงๆแล้วโรคภัยไข้เจ็บจะไม่เกิดขึ้นกับร่างกายเลย แต่อย่างไรก็ดีเนื่องจากวิญญาณที่สร้างร่างกายมาตั้งแต่ปฏิสนธินั้นไม่มีวิญญาณของผู้ใดสมบูรณ์แม้จะเป็นวิญญาณของพระโพธิสัตว์ก็ตามในฐานะที่ยังมีกิเลสอยู่ในสันดานก็ย่อมจะต้องมีวิบากของความทุกข์สะสมอยู่ในสันดานติดมาตั้งแต่ชาติก่อนอย่างแน่นอนด้วยเหตุนี้แม้บุคคลที่เป็นพระอระหันต์ซึ่งนับว่ามีวิญญาณที่สมบูรณ์ที่สุดแต่ร่างกายก็ยังเป็นโรคได้ ทั้งนี้ก็เพราะร่างกายที่เกิดขึ้นมานี้เป็นผลที่สืบเนื่องมาจากวิบากของกรรมเก่าคือวิบากแห่งความทุกข์ที่มีอยู่ในสันดานมาตั้งแต่ชาติก่อนและวิบากอันนี้ก็ยังมีผลอยู่แม้จะได้เป็นพระอระหันต์แล้วก็ตามอันนี้มีกฎที่กล่าวไว้ในอภิธรรมข้อหนึ่งว่าวิญญาณที่วางรากฐานร่างกายมาตั้งแต่เริ่มปฏิสนธินั้น ย่อมจะมีอิทธิพลไปจนกระทั่งถึงเวลาจุติหลักอันนี้คนที่ไม่ได้ศึกษาอภิธรรมอย่างลึกซึ้งไม่มีทางที่จะเข้าใจได้เลยแต่อย่างไรก็ตามขอได้โปรดจำหลักไว้อย่างหนึ่งว่าวิบากของความทุกข์ต่างๆที่สะสมอยู่ในสันดานอันนี้แหละคือต้นเหตุอันแท้จริงของโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิด พระเจ้าขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าหากผู้ใดมีอำนาจต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บดีมาตั้งแต่เกิดความสามารถของร่างกายในอันที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นพิษออกจากร่างกายก็จะดีมาตั้งแต่เกิดความสามารถในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอก็จะสมบูรณ์ดีมาตั้งแต่เกิดแล้วคนคนนั้นก็จะมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายโรคภัยไข้เจ็บซึ่งจะต้องมีบ้างเป็นธรรมดานั้นก็จะมีน้อย ที่จะไม่มีเลยนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะถึงอย่างไรเสียวิญญาณที่สร้างร่างกายที่สมบูรณ์ดีมาตั้งแต่เกิดนั้นย่อมมีไม่ได้บทความเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อ่านเข้าใจยากเพราะมีความเกี่ยวเนื่องกับหลักวิชาการต่างๆมากมาย เช่นจะต้องมีพื้นความรู้เกี่ยวกับชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆด้วยและที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องมีพื้นความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณเป็นอย่างดีข้าพเจ้าได้พยายามศึกษาเรื่องนี้มานานกว่าจะเข้าใจได้และเขียนออกมาได้เช่นนี้และโดยลำพังการค้นคว้าของข้าพเจ้าเพียงส่วนเดียวยอมไม่อาจจะเข้าใจได้เหมือนดังที่กล่าวมาแต่เพราะเหตุที่ได้อาศัยการซักถามปัญหาหลายอย่าง ที่ข้าพเจ้าสงสัยกับโอปปาติกะที่ท่านมีความรู้ในเรื่องเหล่านี้และตลอดเวลาที่เขียนก็ต้องเข้าสมาธิคอยรับกระแสะความคิดจากท่านด้วยจึงได้เขียนออกมาได้ข้าพเจ้ายอมรับว่าบทความเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความหมายลึกซึ้งมากและมีประโยชน์มากที่สุดเพราะถ้าท่านสามารถเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งจริงๆ จ, จนกระทั่งเกิดความแน่ใจว่า วิบากของความทุกข์ต่างๆที่สะสมอยู่ในสันดานนี่แหละคือต้นเหตุที่แท้จริงของโรคภัยแค่เจ็บในทางร่างกายทุกอย่างซึ่งถ้าจะพูดตามสำนวนในทางศาสนาก็หมายความว่าโรคทุกอย่างย่อมเกิดมาจากวิบากทั้งสิน้นและวิบากที่ว่านี้ในเมื่อจะเฟ้นเอาแต่ประเด็นที่เป็นจุดสุดยอด ก็คือวิบากของความทุกข์ต่างๆที่สะสมเอาไว้นั่นเองคนที่ฆ่าสัตว์มากเบียดเบียนสัตว์มากทำไมจึงอายุสั้นและทำไมจึงมีโรคภัยแค่เจ็บมากทั้งนี้ก็เพราะมีหลักความจริงซึ่งไม่มีข้อยกเว้นเลยอยู่อย่างหนึ่งกล่าวคือ คนที่ทำการฆ่าสัตว์หรือเบียดเบียนสัตว์จะไม่มีแม้แต่ขณะเดียวที่เกิดความสบายใจแต่ข้อเท็จจริงอันนี้บางคนก็ไม่เห็นด้วยเพราะมีตัวอย่างที่เห็นกันอยู่ทั่วไปอยู่อย่างหนึ่งคือคนที่ฆ่าสัตว์หรือเบียดเบียนสัตว์บ่อยๆจนเคยชินและได้รับประโยชน์จากการกระทาอันนี้ด้วยเขาจะไม่รู้สึกเดือดร้อนใจแต่ประการใดกลับรู้สึกสนุกหรือไม่ก็รู้สึกเฉยเฉย ตัวอย่างอันนี้แหละที่มักจะทำให้คนเข้าใจผิดซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วทุกครั้งที่ทำการฆ่าสัตว์หรือเบียดเบียนสัตว์ความไม่สบายใจจะต้องเกิดขึ้นในสันดานอยู่ตลอดเวลาแต่เนื่องจากทาบ่อยๆจนเกิดความเคยชินหรือด้านแล้วจึงไม่รู้สึกอะไรแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้มีข้อพิสูจน์ที่เห็นได้ชัดว่าทุกครั้งที่ฆ่าสัตว์หรือเบียดเบียนสัตว์ จะต้องมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนั้นกล่าวคือทุกคนในเวลาป่วยหนักจวนจะตายหรือในเวลาที่หมดสติบังคับตัวเองไม่ได้ในตอนนี้ภาวะของจิตไร้สำนึกจะแสดงออกมาว่าข้างในมีอะไรในทำนองเดียวกันกับคนที่ยังมีความยึดถือในสิ่งต่างๆเวลาถูกขัดใจหรือใครทำอะไรให้ไม่เป็นที่พอใจก็จะต้องเกิดความโกรธ แต่ถ้าหากคนนั้นรู้จักหัดบังคับตัวเองก็จะไม่แสดงความโกรธออกมาแต่ถึงกระนั้นวิบากของความโกรธก็จะเกิดขึ้นในสันดานอย่างแน่นอนซึ่งข้อเท็จจริงอันนี้จะสามารถพิสูจน์ได้โดยการตรวจสอบการแสดงปฏิกิริยาของอวัยวะภายในตามวิธีการแพทย์หรืออาจจะตรวจโดยเครื่องมือวัดคลื่นสมองก็ได้ ในทำนองเดียวกันคนที่ฆ่าสัตว์หรือเบียดเบียนสัตว์บ่อยๆจนเคยชินนั้นตามความรู้สึกของจิตสำนึกก็จะบอกได้ว่าไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่ในจิตไร้สำนึกมันจะรับความรู้สึกเดือดร้อนซึ่งเกิดขึ้นจากการฆ่าหรือการเบียดเบียนอันนี้อยู่ตลอดเวลาทั้งนี้ก็เพราะโดยสันดานของมนุษย์ย่อมจะต้องมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีฝังอยู่ในสันดานด้วยกันทุกคน ไม่เช่นนั้นก็จะเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คนเราทำการฆ่าสัตว์หรือเบียดเบียนสัตว์โดยที่เขาผู้นั้นจะรู้ว่าเป็นบาปหรือไม่รู้ก็ตามแต่ความเดือดร้อนใจจะต้องเกิดขึ้นในสันดานอย่างแน่นอนอันหนึ่ง ยังมีวิธีพิสูจน์อีกอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าคนที่ทำการฆ่าสัตว์หรือเบียดเบียนสัตว์จะต้องเกิดความทุกข์ในใจอย่างแน่นอนนั้นก็คือคนไหนหากภายในสันดานมีวิบากของความทุกข์สะสมอยู่เสมอคนนั้นย่อมจะทนไม่ได้ต่อการเสียเปรียบหรือต่อการสูญเสียสิ่งที่รักหรือทนไม่ได้ต่อการประสบสิ่งที่ไม่ชอบแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตาม ทั้งนี้ก็เพราะมีกฎตายตัวอยู่ว่าคนที่มีสุขภาพทางจิตไม่ดีย่อมจะเกิดความทุกข์ได้ง่ายแต่จะเกิดมากหรือน้อยนั้นก็สุดแล้วแต่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นในรูปไหนฉะนั้นการที่บุคคลบางคนทนไม่ได้แม้ต่อการสูญเสียสิ่งเล็กๆน้อยๆหรือการขัดใจเล็กๆน้อยๆนั้นแสดงให้เห็นว่าสุขภาพทางจิตอ่อนแอมาก คนที่เกิดความวิตกกังวลคิดมากฟุ้งซ่านมากก็เนื่องมาจากสาเหตุอย่างเดียวกันคือสุขภาพทางจิตไม่ดีคนที่เข้าสมาธิไม่ได้ถึงแม้จะบังคับใจให้สงบได้บ้างชั่วขณะแต่ความสดชื่นภายในก็ไม่เกิดทั้งนี้ก็เนื่องมาจากสุขภาพทางจิตไม่ดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น ถ้าหากเราเห็นว่าคนที่ฆ่าสัตว์หรือเบียดเบียนสัตว์บ่อยๆจนกระทั่งเคยชินแล้วไม่รู้สึกเดือดร้อนในการกระทํานั้นถ้าเราพิจารณาจากแงน่นี้ไม่เข้าใจว่าวิบากวามทุกขจะเกิดขึ้นในสันดานได้อย่างไรก็ขอให้พิจารณาในแง่ที่เขาทนต่อ ก, การสูญเสียหรือการขัดใจแม้เพียงเล็กๆน้อยๆไม่ได้นี่แหละคือข้อพิสูจน์ที่ชัดมากที่แสดงให้เห็นว่า สุขภาพทางจิตของเขาไม่ดีจริงๆและการที่เขามีสุขภาพทางจิตไม่ดีนั้นสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งก็คือการฆ่าสัตว์และการเบียดเบียนสัตว์นั่นเอง